อนาปติวานภิกษุต่อไปนี้ไม่ต้องอาบัดคือ536 1. ้สิก่ภิกษุทำผ้ารองนั่งได้ขนาด 2. ภิกษุทำผ้ารองนั่งต่ำกว่าขนาด 3. ภิกษุได้ผ้ารองนั่งที่บุญทำเกินขนาดมาตัดแล้วใช้ 4. ภิกษุทำเป็นผ้าเพดานผ้าปูพื้นผ้าม่านเปลือกฟูกหรือปลอกหมอน 5. ภิกษุวิกลจริต6ภิกษุต้นบัญญัตินิสีธนสิขาบทที่7จบ